พระธรรมเทศนาแผ่นที่75าลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดกรุาเานีสแสดงธรรมในวันที่12กรกฎาคมง2558มีชื่อเรื่องว่าอยู่ได้นานก็เพราะเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ เห็นคณะสัทธาญาติโยมเข้ามาสู่วัดวาศาสนาก็รู้สึกว่าอุ่นหนาฝาคังเพราะว่าเป็นชมรมขรชการบําเหน็จบํานาญจังหวัดศรีสะเกตจากนี่ไปศรีสะเกตใช้เวลาไม่ใช่น้อยนะห้าชั่วโมงจะถึงน้ำมว้นี่วะหลวงพ่อเนี่ย ว่าหลวงพ่อกันแล้วกันนะหลวงพอนะ่อน่ะอายุเจ็ดสิบเอดแล้วลูกหลานนะเออเอี่ยจะนี่แหละกําลังจะเดินอยู่เจ็ดสิบเอ็ดปีเนี่ยเพราะฉะนั้นหลวงพอนะ่อไม่ใช่พระน้อยพรนมไม่ใช่ลง ห, ลงลลง ห, ลงหูลงตานะั่นแหละลงหูเป็นหวงลงหูลงตาแล้เพราะฉะนั้นพวกที่ยังทํางานอยู่แปลว่าเป็นนอ้องหลวงของหลวงพ่อทั้งหมดตรงนั้นนะแต่ผู้ที่มาเนี่ยก็คงจะเป็นพี่หลวงพอ่อคงไม่กี่คนเนี่ยหลวงพ่อว่าเนะี่อ นี่แหละลูกพ่อเองมาอยู่ที่นี่ก็ตั้งแต่ปีสองห้านะคายตะทาญาโจลูกหลานมาอยู่ปีสองหแต่บ้านเกิดของลูงพ่ อ, อยมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเป็นลูกศิษย์ของหลวงปูล่ลาเป็นเด่นน้อยของหลวงปูล่ลาบวดมาตั้งแต่ปีสองพันหลูกพ่อบวดเป็นสมัยเรียนสนะ เป็นเนสมสมเนมกรึงพุทธการจากนั้นพอบวชอยู่กับหลวงปู่าบ8ปีเป็นสัมภเนมจุ๊บแป8ปีพอครบพระอะไรบวชพระปีสองปี0ูย์ปปีนี้ปี0ูย์จากปี08มาถึงปีนี้ก็ห้าแดใช่ไหพันษาของหลวงพ่อที่เป็นพันษาเลยห้าสิปีพอดีนเ <c oughs> ออออ พันสาพระห้าสิบปันษาเนตอีกแปดห้าสิบแปดแล้วก็เป็น อ, อ, อายุสิบเอ็ดย่างสิบสองที่จบปอสี่นะเนยสิบเอ็ดย่างสิบสองจบปอสี่พอบวดอยู่กับหลวงปูล่าตลอดถึงเก้าปีเป็นสมเณรโยแปดเป็นพระหนึ่งพันษา จากนั้นก็มาจำภาษาอยู่ที่กับวัดหลวงปู่จามหลวงปู่จามเป็นหลวงอานะเออเออเป็นหลวงอาเป็นน้องน้องชายของพ่อแท้ๆงั้นเถะเออเป็นคนที่สามเออเป็นคนที่สามเป็นคนที่สามของของของของหลวงพ่อหลวงปู่จามมาจำภรษาที่หลวงปู่จามทาไมจะมาจำภรษาที่นั่นเพราะ หลวงปู่จามไปอยู่ทางเชียงใหม่สามสิบกวปีและท่านนี้แม่ของท่านบวชมา3ามสิบปัาคือคือโยมย่าเป็นชีนะ เ, เป็นชีบวชที่ที่วัดของคุณแม่ชีแก้วนะสามสิบกปีต่นนี้ป่วยใครเขาบอกโรคชราเนี่ยนะนะหลวงปู่จามก็เป็นคนตับเดียวนะหลวงปู่จามเลยนะหลวงอาเนี่ยเป็นคนตับเดียวทั้งหมขพูดอะไรแล้วไปเลยไป ไม่แยแสกับใครเลยแล้วงั้นเ่เถอะหลวงปู่จามเคยก่อนก่อนหน้านี้นะ่ะหลวงปู่จามนะเคยเป็นเป็นเนรหลว ง, ง, งปู่มั่นหลวงปู่จามหลวงปู่หลวงปู่มันนะ่นเนี่ยท่านมาแถวอยู่ห้วยทรายนั่นนะ่ะมั่นห้วยทรายบ้านน้องสูงคําชีอีแถวนั่นละ่ะกับหลวงปู่เสาหลวงปู่มัน่นแต่ในปีครองสุดท้ายเนะี่ยหลวงปู่มัน่นท่านเอาแม่ท่านไปจํามัรสาอยู่ที่ อำเภอสามผงดลงพันเนานครพนมนะแต่ท่านก็เลยเอาแม่ท่านผ่านมาที่นี่นก็เลยโยมรวมโยมพ่อของหลวงปู่จามโยมปู่เอาเวียนสามสีลำกับชาวบ้านน่ะแล้วก็ขนบริขาร น, นำมาส่งที่นั่นมาส่งทางจังหวัดเจ้าสาตอ น, นแถวบ้านขาโคมแถวกุดซุมเลยนะามาทางนี้ลงมาทางนี้แต่นนหลวงปู่จามอายุสิบสี่ปี หลวงปู่ก็ปู่ยมปู่เลยเอาหลวงปู่จามเลยเป็นเนนเป็นเด็กมาด้วยจะบวกจะมอบไปหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นแม่ของหลวงปู่มั่นเนี่ยตัวไม่ใหญ่ตัวตัวพผอมๆเป็นแม่ชีท่านเดินไม่ได้เดินได้อยู่แต่มันเดินพุดอายุถึงอายุมากแล้วท่านก็ได้ใช้ใช้าสาแหลกหามเลยหามก็คือทําเหมือนกับสลับสมสแหลกลงมาเลยแล้วก็คุณแม่ของท่านเขาไปนั่ง พอไปนั่งเสร็จแล้วก็เอาไม้สอดกับหามสองกันะเอออันนี้คือแต่พวกเวียนนยก็ใส่บริขารของพระอะไระอะไรตามหลังพระก็เดินก่อนเนี่ยนะหลวงปู่จามบวชเป็นสมเด็จเป็นหลวงปู่มั่นอายุ14ปีพอบวชแล้วยังไม่ครบพระท่านป่วยพอป่วยเป็นลักษณะเป็นร่อยภาษาทางนั้นเขาแเป็นร้อย แต่ทุกวันนี้กคงจะขาดวิตามินวิตามินบีหนึ่งอะเอเอแค่ว่าเป็นร่อยอยงนั้นเอแต่ในีนก็พอฉึกออกมาได้กินอาหารเถอนี่ท่านก็หายอาพอหายแล้วก็โยมแม่ก็บวชโยมพ่อของท่านก็บวชหมดโยมปู่ก็โยมย่าบวชนะโยมปู่พ่อของหลวงปู่จามก็บวชนะถ้าจะว่าไปตระกูลหลวงพ่อตระกูลบวชตระกูลนักพรตนักบวชว่ากัน โยมปู่บวชได้6ปีโยมปูก่กป็นมรณภาพข่าผ้าเหลืองนะและโยมย่าเนี่ก็เลยดูอยู่ต่อมาอีกได้เกือบสี่ปีนะโยมย่าหลวงปูจป่จามเนี่ยนะพอต่อมานี่ยหลวงปู่จามนี่ยก็พอโยมพ่อของหลวงพ่อนี่ออกจากบ้านก็ไปอีกอยู่บ้านหนึ่งก็พ่อไปหลวงปู่จามไปลนะเป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูน้องท่นี้อพอพ่อแม่กระปวดเลย ลุงปู่จามก็เป็นผู้ดูแลดูแลน้องต่อมากะลุงปู่จามก็ท่านก็จะแต่งงานละทีนี้พออายุยี่สิบเก้าปีจะแต่งงานละทางแม่เขาไปกราบแม่เขาจะแต่งงานไปกราบแม่แมครับผมจะแต่งงานแล้วครับแม่ก็เลยบอกว่าถ้าลูกแต่งงานแม่ก็ดีใจในระดับหนึ่งถ้าลูกบวชแม่จะดีใจกว่า แม่แม่เพราะแม่เป็นนักบวชใช่ไหมล่ะเอแม่เป็นนักบวชพ่อก็บวชแล้วเนี่ยถ้าหากว่าลูกบวชแม่จะดีใจกว่าเอาอย่างนั้นแล้วคุณแม่ใช่ถ้าจะบวชได้ก็ดีอ่ะลูกออถ้าบวชไม่ได้เอาถ้านั้นะเขาปรับเลเอาปรับก็ให้เขาปรับแล้วถ้าลูกจะบวชเหมือนกันจะให้เขาอะไรไปพูดไปต่อรองเขาไปคล้ายๆก็ไปยกเลิกเขาน่ยเพมือนกัน เขาก็เลยปรับ6บาททำไมก่อนในสิบบาทเลค่าสินสอด12บาทเท่ากันนี่เขาปรับไป6บาทพิไปเออพอปรับหบาทเนี่ยจ่ายเงินให้เขานะไปจ่ายเงินให้เขาก็เลยมาบวชบาทเลยเข้ามาบวชพอมาบวชบอกว่าแม่ก็เลยสั่งว่าลูกเอ้ยลูกไม่ต้องห่วงแม่นะไม่ต้องห่วงพ่อนะนะยังไงจึงจะพ้นทุกพ้นโลกวัตฏ์สงสารไปเลย เพราะว่าพ่อแม่เนี่มีลูกถึงเจ็ดแปดเก้าคนเออแล้วก็นะีถ้าลูกจะบวชก็ไปเลยไม่ต้องห่วงพ่อห่วงแม่พวกลูกๆจานวนที่เหลือเนี่ยดูแลพ่อแม่ได้สําหรับลูกเนะ่ยไปเลยเข้าสู่วัดวาศาสนาเป็นนักพจนักปวฎิท่องห่วงพ่อห่วงแม่ได้เหรนเออเส้นอะไรเราตับเดียวลงมาสิเลยพอจะได้กระ บ, บวชพ่อบวมันเปิดอาณาจักรเลยวะดี่ ไปอยู่ทางเมืองเหนือทั้ง30มสิกว่าปีเนี่ยไม่เคยมาบ้านเลยเหมือนกันเถะน่าจริงจริงนะเหมือนกันเถอะยังวันที่ว่าตับเดียวเนี่ยหลวงพ่อวานพอจดหมายทางน้องชายผู้ใหญ่จูมเลยนะพวกเราได้ฟังเทศหลวงหลวงตามหาบัวเนี่ยก็คงจะได้ยินที่ว่านี่ท่านหลวงตามหาบัวเคยไปอยู่ที่ห้วยสายเหลวงตามหาบัวเคยพูดเคยเล่าผู้ใหญ่จูม ประลัดสมัยก่อนเป็นประหลัดอำเภอรักษาการนายอำเภออำเภอคำเชอีอีเราบอกว่าท่านว่าประหลัดเท่านั้นดั ง, ดงจมูก บ, บี้ล้มตาล้มตาล้มตามมหาบัวท่านพูดว่า เ, าเนี่ยประหลัดเข็มเนี่ยพูดกับผู้ใหญ่จูมว่าผู้ใหญ่จูมเนี่ยท่าทางเหมือนผู้ว่า แต่เขียนหนังสือเหมือนไก่เขี่ยอันนี้อันนี้ร้อนนงตาพูดว่เออเขาว่าด้เอ้าแต่งตัวโหวสมาร์ทเหมือนกับผู้ว่าด้วยกันแต่แต่พอเขียนหนังสือเหมือนไก่เขี่ยว่ากันแต่ไม่ต้องเขียนไปยังไงว่ากันแต่วันหนึ่งพ่อใหญ่จุ่มเขียนจดหมายผู้ใหญ่จุ่มก็คือน้องหลงปู้จามว่ากันน้องชายหลงปู้จามเลยพใหญ่จุ่มเลยแต่ถ้าก็เขียน เขียนจดหมายให้มาตอบมันเขียนแบบรีบๆหน่อยเขียนมาก็ส่งมาให้หลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวจุง้งห้วยสายใช่หลวงตามหาบัวจุง้งห้อยสายท่านกจับจดหมายมามันอ่านไม่ออกใช่ไหมละ่ะไม่รู้เขียนอะไรก็ไม่รู้เห็นแต่จุม้มอยู่เห็นแต่จุม้มท ะ, ะเลหลวงรู้จักว่าเป็นจดหมายผู้ใหญ่จุ้มท่านก็เลยเอาจดห ل, มายมาเสียบไวนะ้ในนั้นใช้ข้างๆอ่านไะม่ออกไป แต่นพอวันรุ่งขึ้นมาผู้ใหญ่จูผู้ใหญ่จูม า, าท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ได้รับจดหมายผมไปเมื่อวานเออได้รับอยู่ท่านอาจารย์อ่านอ่านออกกระเป่าก็ไม่รู้ผมเขียนรีบมาเกินนะเมื่อวานนี้ยผมเขียนรีบมาเกินเมื่อวานเนี่ยผมก็เลยกลัวจะท่านอาจารย์อ่านไม่ออกผมก็เลยมาถามนะท่านอาจารย์อ่านออกที่ผมเขียนเมื่อวานเนี่ยลงตามมหาวังออกทําไมจะไม่ออก อ่านๆนให้ผมฟังดิปวดหัวได้บ้าเล ย, เยอ่านอ่านให้ผมฟังตอนนี้ลงตามมหาบัวกับขี้ขี้จดหมายมานก็อ่านขึ้นมาอ้วกอ้อจุ่มเพราะมันอ่านไม่ออกเลยขี้อก็เลยขึ้นจากขเห็นแต่จุ่มจากข้างล่างลงตามมหาบัวเลยวกอวจุ่ม ข้มพากันหัวเลาะเลยกนะันโอ้เออนี่แหละผู้ใหญ่จูมกับหลว ง, งตามหาบัวญนะาติญาติของหลวงพ่อเนะี่ยสรุปแล้วก็คือหลวงตาเคยไปอ ย, ย, ปอยู่มหาบัวเคยไปอยู่สนิทสนมแล้วเป็นรู้จักกับวงหลวงตาเนะ <c oughs> นี่ยแหละพั น, นี้พอหลวงปู่จามไปอยู่ทางเชียงใหม่สามสิบกว่าปีจดหมายผู้ใหญ่จูมเลยเขียนเขียนไปบอกว่าคุณมากแม่ไปอย่างนั้นนะ อขอให้ครูบากลับลง ม, มาจดหมายมาจากไหนมาจากทางบ้านห้วยทรายครับทางนครพนมอา้าวฉีกทิง <c oughs> ไม่รู้ว่าอะไรนะไม่รู้ว่าจดหมายน่าไม่รู้ว่าจดหมายน่าเขียนอะไรแปลว่าฉีกทิ้งเลยแปลว่าไม่ไม่อยากจะรับทราบข่าวทางบ้านเลย เ, เขาก็ถามว่าเอาทําไมหลงหลงหลง ท่านอาจารย์จึงไม่ไม่ไม่อยากจะรับข่าวทางบ้านเอาจะรับขา่าวยังไงแม่สั่งแล้วีไม่ต้องห่วงบ้าน <c oughs> ขนาดปัสวะอยากหันหน้ามาบ้านอีกต่างหากคนแม่บอกเนะพราะนั้นเขาจะไปห่วงเราทำไมเราก็ไม่ห่วงเขาห่วงห่วงทำไมพวกนะั่ะขนาดนั้นหลหลวงปู่จาไปตับเดียวจริงๆว่างนะ่ที่เป็นหลวงอานะ เ, <c oughs> เวลาท่านพวกญาติโยมที่จังหวัดเชียงใหม่นะจังหวัดเชียงใหม่ท่านเป็นเพื่อนกับหลวงปู่ชิมนะปู่ชิมพุทธาจาโอนะหลวงปู่ชิมพ่อแม่ป่วยป่ะนี่พ่อแม่ป่วยท่านก็เลยจามดูดูแลวัดสวนแสงธรรมให้หน่อยนะเดี๋ยวผมจะกลับไปเยี่ยมพ่อไปเยี่ยมแม่ซะก่อนแม่ป่วยให้ท่านดูแลนะจนกว่าผมจะกลับมากว่าเนอนะท่านมีอะไรยังค่อยนอยั่นะ ผมก็ไม่มั่นใจพระอยู่ในวัดหรือว่ามันยังน้อยเกินไปไอ้ท่านเป็นผู้ใหญ่พาเขาอยู่นะผมก็เป็นห่วงวัดอยู่หลวงปู่จามก็ครับวันให้หลวงปู่จามเขาอยู่พออยู่ที่นั่นก่อนศรัทธาญาติโยมบางคนก็ไม่เข้าใจใช่ไหมหาว่าหลวงปู่จามจะยึดวัดหลวงปู่ชิมเลยแต่ตามามจริงมันไม่ยึดหเพราะว่าหลวงปู่ชิมกับหลวงปู่จามเป็นคู่หูกันอยู่แล้วงั้นแต่แต่หลวงปู่ชิมเนี่ยเป็นคนฝากให้หลวงปู่จามเป็นผู้ดูแลวัด แต่ญาติโยงเขาไม่รู้ว่าหลวงปู่จามมาไงเลอะทะเลามาก็มายึดวัดเลยลักษะอย่างนั้นต่านี้เขาก็บอกว่าหลวงปู่จามจะมายึดวัดสันติธรรมเขาก็กานแก้งนะครพูดอย่างนั้นพูดแทนท่านก็โอ้โหลำคาญในพรรษาออพอออกพรรษาเสร็จแล้วก็ท่านก็บอกว่าอินทร์หลวงปู่ชิมมาหปู่ชิมมาท่านก็มานั่งเอาชัดทายญาติโยงมา ใครที่ไม่พอใจในอาตมาเนี่ยในพรรษาน่ยพูดกันแหลกันแนะ่ดูถูกอาตมาน่ยมาเอ่อเดี๋ยวอาตมาจะพูดให้ฟังนี่นะที่อาตมามาอยู่วัดสวนแสงธรรมเนี่ยวัดแสงอวัดสันติธรรมเนี่ยเพราะหลวงปู่ท่านมอบให้นะออมอบหมายให้เนี่ยพูดต่อหน้าท่านเลยใช่ไหมท่านอาจารย์ใช่นี่แหละท่านมอบให้อาตมาจึงได้จูกมา มาอยู่แต่คณะศรัทธาญาติโยมเนี่ยบางคนก็ไม่รู้พูดอะไรก็ไม่ทร า, ไาบไปเคารพดูถูกเหมือนกับเราจะมาแย่งวัดของครูบาอาจารย์เอาเถอะนะวัดสวนออวัดสันติธรรมแห่งนี้นะ่ะถ้าน้ำแม่ปิงไหลขึ้นเมืองเสียงราวเมื่อไหรเมื่อ น, นั้นลหละจะมาจะมาอีกถ้าหากว่า น้ำแม่ปิงยังไม่ไหล ย, ย้อนกับขึ้นเมืองเสียงดาวเลยไม่มาเหยียบอีกวัดสันติธรรมพูไม่ใช่ธรรมดาเลยหลว ง, ง, งอาของหลวงพอวอ่อเหมือนเันเรียกว่าหลวงพ่อว่าท่านจิตใจเด็ดเดี่ยวนี่แหละหลวงอาจามแต่อายุท่านก็ร้อยร้อยสี่ปีมืงที่ท่านจากไปนะ <c oughs> เราก็ได้ไปจัดงานท่านเรียบร้อยหมดแ ล, ะละ้วล่ะบรห้วยทราย นะสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนลูกหลานทางโน้นนะพี่น้องศรัทธาญาติโยมจากนั้นก็ได้พอบวชไปอยู่กับหลวงปู่จามอยู่หลวงเป็นพระก็อยู่หลวงปู่ลาภเป็นสัมภารีอยู่ย8ปีนะเป็นพระหนึ่งพรรษาแล้วก็มาอยู่ที่หลวงปู่จามหนพันษาแล้วก็ขึ้นไปอยู่กับหลวงปู่แหวนอีกเนีห <c oughs> ลวงพ่อได้ไปจำพรรษาหลวงปู่แหวน อ, อําเภอพระยาจังหวัดเชียงใหม่เพราะหลวงปู่จามหนีจากญาติอีกรอบที่สอด้วย กันหน็บหลานชายขึ้นไปด้วยของเราไปหลวงพ่อนี่ก็เลยไปกับหลวงหลวงอาแบบนี้ขึ้นไปอยู่ทางเชียงใหม่ไปอยู่พวกชาวบ้านห้วยสายตามไปเองแบบนี้ตามไปในมูลอีกท่านก็โอ้ใจอ่อนกลับลงมาอีกเหลวงพ่อเอ้าหลวงอาลงไปแล้วผมจะยังไม่ลงนะครับหลวงอาผมจะขอปีกวิเวกทางเชียงใหม่ซะก่อนผมจะลงตามทีหลังนะครับหลวงอาโอ้ยไม่ได้ไปด้วยกัน แล้วจำเป็นเราก็ได้ลงมากกับท่านข่าว น, นั้นพอมาอยู่จำพรรษากับหลวงปู่จามเนี่ยเป็นพรรษาที่สี่ใช่ไหมละ่ะออกมาก็บอกว่าหลวงอาครับผมอยู่กับหลวงอาไม่ได้หรอกอ่เพราเห็นอะไรเพราะว่าผมเป็นพระน้อยพระนมอยู่หนูเห็นเอ่อบางครั้สมัยหลวงอาเป็นพระน้อยพระนงเนะ่ยเอ่อบอกสาวสาวทั้งหลายอยู่ในบ้านเนี่ยรุ่นเล่าขาวเดียวกันเอ่อผมเห็นนะมันไม่ได้นะครับหลวงอาเอ่อก็จะให้ผมอยู่เนะี่ย ผมคงอยู่ในาศาสนาไม่ได้ผมต้องหนีครับเออไปก็ไปท่านท่านก็คงจะรู้เรื่องของท่านเหมือนกันพุกทั้นเออหลวงพ่อก็เลยเตลิดเปิดเปิงขึ้นมามาที่แรกมาสกลนครมาอยู่กับหลวงปู่แว่น เ, ออเดือนสองเดือนมาอยู่กับหลวงปู่ฉิมแล้วก็มาอยู่กับหลวงปู่ฟัน้นมาอยู่กับหลวงปูออ่สมัยมาอยู่ปู่เสียงทองมาจยูปู่พัดจุพัด เข้ามาหลวงปูขาวมาปูน้องแสงปู อ, อ, อ่อเนเออไปวันลาอาจารย์พอสมควรใน่หลวงพ่อกันเออเขาบอพอใจองค์ไหนดูเข้าไปดูแล้วครับเออเป็นที่พอใจถูกเจริญนิสยัยเป็นครูบาอาจารย์ได้เออจริงจะคิดอยู่แต่เลือกซะก่อนมานเกิดเลือกครูบาอาจารย์ซะก่อนโอ้หลายองค์ตกขนาาแรงแต่อยู่กับหลวงปูฟันก็นสวดปฏิโมก หลวงพ่อสวดปฏิโมกได้แต่สมัยเรียนปฏิโมกขตั้งแต่สมัยเป็นเด่นเลยสอบแต่สมัยปฏิโมกได้แต่สมัยเป็นเดน IE, อยู่กับหลวงปูล่ลาสวดได้เลยมาอยู่กับหลวงปู่ฟันก็สวดปฏิโมกมาอยู่กับสลวงปู่ขาวก็สวดปฏิโมกข์มาอยู่หลายองค์ต่นแรกหลพ่อกลับไปอยู่บ้านตากคิดว่าไม่อยู่นะจะไม่อยู่บ้านตากนะแกว่าออกจากบ้านตาก็จะไปทางเนี่ยจะขึ้นมาทางหนองคายขึ้นมาทางวัดอะไร พระงามวัดหลวงปู่โสภาขึ้นมาทางนี้แหละหลวงปู่เลี้ยนแล้วก็ขึ้นไปทางจังหวัดเลยเออก็แบบล่าครูบาอาจารย์ดูปฏิปทาของครูบาอาจารย์เป็นที่พอใจซะก่อนแล้วจะเมื่อช่างใจว่าเราจะอยู่กับครูบาอาจารย์จะเข้าไปศึกษากับครูบาอาจารย์องค์ไหนนีหลวงพ่อคิดนะแต่เนี่ยพอเข้ามาออกปจากวัดหลวงปู่อ่อนเข้ามาอยู่วัดหลวงตา พอว่าลงตามหาโห้กดจะเบียบของท่านเลยเข้ ม, มวดขนาดหนักเลยดาผ้าไม่มีนะแต่ไปไปเจอมากรูบาอจารย์องค์ไหนที่บดดาดาดูดผ้านี่ยสู้ลงตาไม่ได้อยมืองกันเลยลงตามหาบวัวโอ้โออทั้งพระฝรั่งทั้งผ้าไทยในกลอบแบบอันถึงเสืออยู่ทางนี้เนี่ยลงตามาทางนี้เนี่ยโดดเฉยเสือหรือวิ่งเลย ก <c oughs> อหลบหลงตาหรวิ่งผ่านหน้าเสือไปเลยเรางี <c oughs> ไาาไ้ไม่ว่าพระฝรั่งไม่ว่าพระไทยเลยกลัวลกลัวลงตาเนี่ยวัที่ไปแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่แตการวางหมาดของท่านการแนะนำสั่งสอนบอกกล่าว น, น่ากลัวและอีกอย่างนึ่งท่านบอกว่างพระทุกอง เ, เอ่อมาอยู่กับเรามาศึกษากับเราตั้งจังใจนะ ถ้าไม่ตั้งใจนะเราสอนเราบอกแล้วยังไม่ปฏิบัติไม่ตามที่เราบอกเราสอนนะอย่าโย่ให้หนักวัดนะหนีนะ <c oughs> อันนี้คือคำพูดของหลวงตานี่จจำเข้าใจเร็วงานถงเถอะ อ, อยู่กับหลวงตาเพราะนั้นเห็นโอ้หลวงตาเนี่ย เ, เป็นพระที่เอาจิงเอาจังแนวทางปฏิบัติกิ จ, จวัตรข้อวัดเขาบอกว่าหลวงปู่ล่าก็บอกมาแล้วบอกว่า เดี๋ยวนี้กิ จ, จวัตรข้อวัดทั้งหลายหลวงตามหาบัวยึดแนวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นได้มากที่สุดกว่าทุกองไอ้นี่หลวงตามหาบัวนะไปดูนะกิ จ, จวัตรของหลวงปู่มั่นคล้ายๆนั่นแนหะแต่กไไ็ไม่ได้ทั้งหมดถนัดหลวงปู่ล่าว่าไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าคล้ายขึนอนได้มากกว่าทุกองหลวงตามหาบัวแต่ถ้าหลวงพ่อมาอยู่โอ้ใช่เรื่องดุนึงงเออหน้ได้ศึกษาลงไป จากน้นมาหลวงพ่อก็เลยอยู่กับลงตาเลยไม่ไม่ ไ, มไปไม่ไปหาองค์อื่นเหมือนกันนะ่ไม่ได้ไปหาไม่ได้เดินไปทางอื่นอยู่กับองค์หลวงต า, อ, าอยู่องค์งหลวงตาตั้งแต่ 2,512 จนถึง 2,524 2,125 เ, เป็นเวลา14ปีอยู่กับองตา น, นานกว่าทุกองค์นี่แหละอันนี้แหละคณะสถาญาติโยมลูกหลานนะ หลวงประวัติของหลวงพ่อเนี่ยเป็นเป็นพระที่เอาชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนายืนยาวนานที่สุดเลยนีเ่เป็นเวลาถึงห้าสิบแปดปีอายุเจ็ดสิบเอ็ดใช่ไหมบัดนี้ลูกหลานทั้งหลายคงอยากจะทราบว่าเอา๊ะหลวงพ่อเนี่ยบวชมานานถึงขนาดนี้มีความคิดเห็นอย่างไรใช่ไหมท่านนี่ แนวความคิดของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อมีความเห็นอย่างไรกับพุทธศาสนานะหลวงพ่อเนี่ยนะคณะทายาิโยมหลวงพ่อเนี่ยเชื่อมั่นในทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องคหลวงปู่มั่นแนวปฏิปทาของหลวงตาครูบาอาจารย์เป็นผู้ปฏิบัติตรงไปตรงมาเป็นผู้เน้นในกฎและเบียกเน้นในศีลและวินยัย สินและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตรัฐคดยังอยู่ตราบนั้นอันนี้คือองค์หลวงปู่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มันท่านเน้นหนักมากเรื่องสินและวินยัยถ้าองค์ใดก็ตามถ้าเห็นมันร่วงเกินศิกขาบทวินยัยไม่มีฮิริอตตะปะท่านบอว่พระเป็นพระอรัชชีไม่มีฮิริอตตะปะในหลักพระธรรมวินยัยเ ไม่ได้นะเออจะอยู่ไปทําใหม่เออหลวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาหลวงปู่ลากกูเหมือนกันแต่ท่านให้เน็ตแขงในหลักพระธรรมวินยัย <c oughs> นี่แหละจากนั้นเมื่อท่านได้เข่นในขับวินัยแล้วก็เรื่องจิตภาวนาเรื่องจิตตภาวนาคือศินสมาธิปัญญานะเออสิลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยคือศินและวินยัยสมาธิคือทําจิตใจให้มั่นคง จะทำให้จิตใจเหละเลอะจากนั้นเมื่อจิตใจมั่นคงแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาแลาสมถะคือทาจิตใจให้สงบวิปัสสนาคือแยกแยะร่างกายสังขารว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดแก่เจ็บตายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นอันนี้ก็คือวิปัสสนาแต่นี้อย่างหลวงปู่มั่นหรือหลวงตามหาบัวท่านก็บอกว่าการภาวนานี่นะ ถ้าหากว่าพวกเราภาวนาตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ว่ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกที่รู้ว่าหายใจออกที่พระพุทธเจ้าไปทดลองอยู่ที่วัดที่ <c oughs> พุทธกยาที่บริเวณโคนโคนต้นโพนวันเดือนหกเพนพระพุทธองค์ไปบําเพ็ญทั้งหกปีนะไปบำเพ็ญนะ ล, ลองถูกล อ, ล, อลองถู ก, ล อ, ถ ก, ล, อถกลองผิดลองผิดต้องถูกลองถูกลองผิด เอ่บำเพรนอยู่หปีพอปีที่หเนี่ยพระ อ, องค์วันเดือนหกเพเนที่วันที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธเจ้าท่านทําอย่างไรอันนี้แหละคือจุดนีนะ่จุดที่พวกเราจะต้องศึกษาพระ อ, องค์นั่งขัดสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกคือเอาจิตจับอยู่ที่ปลายจมูกนะที่ปลายจมูกลมเข้าก็ให้รู้ว่าลมลมเข้าลมออกก็ให้รู้ว่าลมออกไม่ต้องตามลมออกไปและไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องเหมือนกับเรายืนอยู่ข้าง <c oughs> ยืนอยู่ข้างประตูคนเข้าไปในบ้านอาคารเราก็รู้ว่าคนเข้าไปแต่ไม่ต้องตามคนเข้าไปในอาคาร แต่คนตาพอลมออกมาคนออกมาเราก็รู้ว่าคนออกมาเราไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกเพียงแต่รู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออก น, ะนี่แหละให้เอาสติจับอยู่อย่างนี้จากนั้นใจความรู้สึกจะรวมลงสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อเจ็ดจิตความนึกคิดความรู้สึกนึกคิดมันรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วจะเกิดญาณทัศนะเกิดเกิดขึ้นเ ก, เ, กเกิดชาญขึ้นมา เยวาวบุกเพนิวาสานุจติยานระลึกชาติขนหลังได้นี่แหละคือพระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้ในวันเดือนหกเพ น, นเกิดยานะเกิดญานรัศนะสามอย่างคือปุกเพนิวาสานุสติยานจุตูปะเตยานอาสาวกยะยานในคืนในวันเดือน6เพนนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาจากนั้นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่น ปู่บาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าเวลาภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมันหลุดได้ง่ายควรจะสำมทับด้วยพุทโธเขาด้วยนะหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโธพุทโธนี่แหละคือให้ภาวนาจากนั้นใจของเราจะรวมสงบเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่ง เราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายเป็นอันหนึ่งจิตใจคือนามธรรมเป็นอันหนึ่งรูปธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนก็คืร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันรถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับถ้ารถอยู่เฉยเฉยถ้าคนไม่ขับไปไม่ได้ถ้า ถ้าหาว่าวิญญาณออกจากร่างไปแล้วแปลว่ารถคันนี้ก็ไปไม่ได้แต่วิญญาณนี่ก็ต้องอาศัยอาศัยร่างอาศัยร่าง เ, าเพราะฉะนั้นวิญญาณเนี่ยตัวนี้แหละจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆตัวนี้เลยเป็นเป็นเรื่องของเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นในหลักธรรมในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านจึงเน้นเรื่องมโนปุพังขมาธรรมามโนเสรามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจสรุปแล้วก็คือโซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยโซเฟอร์รถคันนี้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานศึกษานะสรุปแล้วก็คือในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกบาป บ, บุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงกรรมดีกรรมชั่วมีจริงเอ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 แล้วก็พูดที่ผิดกดสิ่งที่ผิดกฎหมายในเมื่อเขาจับได้ไล่ทันตนเองท่านแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพรา ะ, ะนั้นเรารู้แล้วสิ่งที่มันมันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในเรื่องนั้นเพรา ะ, ะนั้นขอฝากไว้กับคณะจาตาญาติโยมลูกหลานทุกคนและหลงวงพ่อเองอยากจะกล่าวย้าในเทศการอยากคราวนี้พวกคณะัาตาญาติโยมก็ถวายผ้าอาบน้าฝนถวายเทียนพันา ก็อีกไม่กี่วันข้างหน้านะีค่คือวันที่30 เ, เป็นเป็นวันอาสาหะบูชาวันที่31เอ็ดกรกฎ า, เ, าเป็นวันเข้าพรรษาเพราะนั้นในพรรษาที่จะถึงนี้พวกเราควรจะปรับปรุงกายวาจาใจของเราอย่างไรถึงเป็นหน้าที่ของพวกเราเนะี่ยต้องวางแผนนะคณ า, าจารย์โยมเขาจะทำความชั่วเขายังวางแผนนะ เขาจะฆ่าเขาจะพ่นเขาจะอะไรเขาต้องอยั ง, ยงวางแผนนะแต่พวกเราจะท่าจะประกอบคุณงามความดีพวกเราจะไม่มีการวางแผนเลยไม่น่าจะถูกนะพวกเราควรจะวางแผนเออในพรรษานี้ที่จะถึงเนีนะ่เราจะทำยังไงเราต้องพูดคุยกันในสามีภรรยาบอกเออในพรรษานี้พวกเราก็ปล่อยป่ดละเลยมาหลายปีจนถึงอายุปุ่ น, นี่แล้ะจนเป็นข้าราชการบำเหน็จบำนาญขนาดนี้แล้ว พวกเราควรจะวางตัวยังไงในพรรษานีเา้เราควรจะงดบุหรี่เด็ดขาดได้ไหมงดเหล้าไม่ดื่มสุราเลยทดลองดูได้ไหมงดการพนันทุกทุกอย่างได้ไหมแต่วงดการพ น, นันจะยากไปสักหน่อยเหมือนกันนะแต่ต้องงดดูถ้ามันจะรวยมันรวยมาพอแหลงแล้วละ่ะงดดูมันเป็นยังไงตอนนี้ในพรรษานี้ เราสมาทานสินห้าได้ไหมฮะสินห้านะเป็นสินคุ้มครองโลกเป็นศินที่ทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะสินห้าเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะมีสินห้าทดลองเลยสิในพรรษานี้คือคร่ า, าวๆเราดูกินแบบสมถะแบบแบบใช้ชีวิตแบบแบบพุทธะที่พระพุทธเจ้าสอนอยังไงเราใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วกว็เราพยายามทําบุญ ในพรรษานี้ไม่ให้ขาดเราจะใส่บาต ท, ทุกวันไม่ให้ขาดออโอ้ใจบาต ท, ทุกวันบางทีเราก็นอนตื่นสายบางบางทีก็ไม่มีพระบางหลวงพ่อไม่เป็นไรสมมติว่าเรามีศรัทธาเราจะทําบุญสมมติว่าเอาแล้วเราอยู่ในจังหวัดชีเะเก๋วัดไหนหรือว่าเเราขอรบกราบไหวหลวงปู่จามหรือหลวลงตามหาบัว เออรหลวลงปู่เทศรถหลวลงปู่ดนอะไรก็ตามองไหนก็ตามถ้าเราอยากจะทำบุญกับองนั้นละวัดนั้นละปีนี่เออเราก็เอาหน่อยมีกระปุกหมูหมากาไกา่เออเราก็ใส่ยอดกระปุกเลยตอนเช้ า, าวันนี้เราจะใส่นมนมสีกล่องเออเราก็นมราคาเท่าไหร่ใช่เออเราก็ยอดใส่กระปุกไว้เลยหรือว่าวันนี้เราจะถวายกล้วยเตี๋ยวท่านนะ กี่ถ้วยเรากระยอดลงไปในกระปุกนั่นอกีกเออวันนี้เราจะถวายกล้วยเท่านั้นใบใส่บาทเราก็ราคากล้วยเท่าไหร่เราก็ใส่ลงไปในได้เมื่อเดือนหนึ่งและสมเดือนออกพรรษาแล้วก็เราก็นำปัจจัยที่เราถวายนั้น อ, อ่ะไปทําบุญกับครูบาอาจารย์องค์อื่นๆหรือว่า เ, ออเราเอาเถอะเราเราจะไม่คิดทาอย่างนั้นเราจะคิดออชีวิตของพวกเราทุกวัน ควรจะมีการทําบุญเอาเถอะนะแต่ละวันเราจะทําบุญทุกวันไม่ให้ขาดวันหนึ่งเราจะทําวันละเท่าไหร่วันละ20บาทหรือ50บาทหรือวันละ10บาทแล้วก็สอนหย่อนลงกระปุกกระปุกกระปุกทวกวันถ้าหากว่ามีงานตายขึ้นมางานโศกันเราก็เปิดกระปุกเอาเงินก้อนนั่นแหละไปทําบุญถ้าหากว่างานไหนเป็นงานบวชเราก็เปิดมากระปุกนะั้นไปทําบุญ อันนี้ก็คือเงินทําบุญประจําตระกูลและประจําครอบครัวประจํำพวกเราทุกๆท่านด้วนแล้วจะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจนะหลวงพ่อว่านะอันนี้คือวิธีการทําบุญไม่ใช่ว่าเราไม่มีีโอกาสทําบุญแล้วก็เฉยไม่ได้สนใจเออมันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะเพราะฉะนั้นให้พวกเราคิดดิที่หลวงพ่อแนะนำในบอกกล่าวนี่นะ พวกเราอาจจะต่อเติมเสริมขึ้นก็ได้หรือจะลดก็ได้กระสุดแท้แต่พอหลวงพ่อเนี่ยในฐานะที่ว่าเป็นผู้บอกกล่าวแนะนําให้คณะสัตยาญาติโยมเป็นแนวความคิดทําอย่างนี้ดีไหมพูดอย่างนี้ดีไหมเดิมเนินชีวิตอย่างนี้ดีไหมหลวงพ่อจะเป็นผู้แนะนําบอกกล่าวแต่พวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังเมื่อฟังแล้วเห็นว่าเออมีประโยชน์ไปที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ย เราก็นําไปประพฤติปฏิบัติณเมื่อ น, นําประพฤติปฏิบัตินั่นแหะความสุขความเย็นใจความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นกับพวกคณะตถ า, า, าญาติโยมลูกๆูล้ลลลลานล้านทุกๆท่านนะก็พร้อมกันอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเกินไปอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบิด้ดได้กล่าวเบื้องต้นว่าตายแล้วไม่สูญนะคณะทถาญ า, า, าติโยมตายแล้วเกิด อ, กอีกเพราะเหตุอะไรถ้าอยากจะรู้พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานใท่านบอกให้นั่งภาวนาเนอะพวกองค์ ที่เป็นพร ะ, ะกรรมฐานท่านยืนหยัดยืนยันยืนหยัดได้เลยตายแล้วไม่สูญแน่นะ อ, ออยากจะรู้เห็นนั่งภาวนานะพอนั่งภาวนาจิตใจสงบเท่านั้นะใจใจกับกายกายกับใจเป็นคนละอันชัดเจนเลยเ อ, อเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วนั่นแหละจะรู้ได้โอ้ใช่ร่างกายในตายแตกสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟแน่แต่นามธรรมาคือจิตใจดวงนี้มันเด่นชัดเหลือเกิน ดวงนี่ลหละมันจะไปหาปฏิสนธิไปหาเกิดในพบกุมต่างๆไปตกนรกหมกไหมไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าคือดวงวิญญาณดวงนี่ลหละนี่แหละเมื่อเรานั่งภาวนาจิตใจสงบแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองนะไม่ต้องถามใครนะวันนี้ถ้าจะพูดไปมากเกินไปเดี๋ยวศรัทธาญาติโยมจะกลับบ้านค่ำนะเอาเพียงแค่นี้ก่อนนะแลวเดี๋ยวหลวงพ่อจะ จะแจกหนังสือให้เอ็มพีาอีกนะแจก MP3 หนังสือให้อีกเพราะว่านําไปอ่านไปศึกษาดูนะพ่อหลวงพ่อพูดอาจจะพูดน้อยเกินไปหรือพูดมากเกินไปแล้วพวกเราได้ฟังนี่หนังสือเล่มนี้นะ่ะหนังสือหนึหนังสือธรรมเทศนาณธรรมเทศนาเล็กหนังสือเล่มนี่นะธรรมเทศนาณสุดต่อต่อตอตอ ต, อ, ต, อ, ต, อ, ตอนี่ ทำไมจะวต่อต่อต่แปลว่าอะไรเตรียมตัวตายธรรมเทศาชนาชุดเ ต, ต, ต, ต, ตรียมตัวตายเตรียมยังไงเตรียมตัวตายต้องอ่านดูด้านนี้น่อต้องคิดไว้เป็นภาษาใจของตนเองถึงข้าพเจ้าจะรับผิดชอบขนาดไหนก็ตามอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมด ไม่ว่าจะรักขนาดไหนเกลียดขนาดไหนพอใจไม่พอใจขนาดไหนข้าพระเจ้าจะต้องตายจะต้องหนีจากเขาใช่ไหมใช่นี่แหละอันนี้ก็ให้อ่านด้วยว่าเนี่ยประมวลหลังหลังข้อคิดหลังจากอ่านธรรมชุดต่อต่ อ, ต อ, ตอให้เขาว่าเขาคนคนหนึ่งเขาได้อ่านดูแล้วเขาก็เลย ม, มาแสดงความคิดเห็นทางด้านหลังนะถ้าเราไม่ไม่อ่านไม่มากก็อ่านต้นทิ้ก็ได้มันมีอะไรบ้างอยู่ในนี้นะ แล้วก็หลวงพ่อถ้าว่าไม่ได้นําหนังสือนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปโยนหนังสือหลวงพ่อทิ้งเหมือนกันเถะหลวงพ่อก็เสียดายหนังสือเหมือนกันนะเพราะพิมพ์ขึ้นมามันหลายเงินเหมือนกันนะนี่เรื่องเนธพระฝรัง่งพระเชิญปัญหาชีวิตอย่างมีสติปัญญาคือพะระฝรั่งเป็นชาวเยอรมันท่านชื่อฟินลิปนะเป็นลูกศิษย์สายล้มปูชาอายุของท่านกับประมาณเกือบจะ50ปี พันศาสิบกว่าพันษาท่านบวชเพื่ออายุมีอายุมากพอสมควรท่านก็มาบวชก็มาอยู่ที่ท่านก็มาเข้ามาที่นี่ท่านก็ถามว่าท่านอาจารย์ครับผมขอถามปัญหาท่านอาจารย์เราเฮ้ยท่านไปถามที่อื่นจนหล่อนแหลกพอแล้วน้ำมาถามหลอกหอกเล่นๆกับผมไม่เอาไหมผมไม่ตอบไม่ใช่ผมถามที่อื่นผมถามแล้วแต่ท่านก็ตอบผมแล้วแต่นี้ผมอยากจะถามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จะตอบผมว่าอย่างไงที่ผมจะถามเนี่ย เออใช่คงไม่ตอบเหมือนกันว่าเอาถามได้เขาก็ถามว่าผมไปตรวจสุขภาพไปหาหมอหมอก็ตรวจเลือดดูดเลือดของผมเดวตรวจหมอก็บอกว่าผมเป็นไวรัสซีต่อไปตับผมจะแข็งต่อไปจะผมจะเป็นมะเร็งตับในเมื่อผมเป็นมะเร็งตับเนี่ยไม่มียายาไทยยาจีนยาฝรัง่งไม่มียาที่ระงับมะเร็งตับ มีแต่ตายลูกเดียวเพรา ะ, ะนั้นผมเป็นมะเร็งตับเนี่ยผมก็จะต้องอาการมันก็ต้องหนักขึ้นหนักขึ้นในเมื่อมันหนักขึ้นผมก็จะต้องไปหาหมอไปหาหมอก็อยู่ในโรงพยาบาลรักษาตามอาการไปอยู่กับในในหมอถ้าท้องอืดเขาก็ต้องให้ยาแก้ท้องอืดถ้าปวดมากเขาก็ต้องให้ยาแก้ปวดเพราะมันมันไปรักษาตามอาการพอในสุนอาการมันหนักขึ้นหนักขึ้นทน้ผมช่วยตนเองไม่ได้ พยาบาลก็ต้องมาเปื้อนผ้าแก้ผ้าเช็ดร่างกายให้ผมผมก็รู้ว่าทํำยังไงเพระพยาะินัยของพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้ผู้หญิงมาแตะต้องร่างกายพระแต่ผมช่วยตนเองไม่ได้เพราะผมอาการหนะักแต่ก็รู้ว่ามันผิดผมขอถามท่านอาจารย์ชื่อว่าในเมื่อถึงคราวเช่นนั้นเราจะตายในโรงพยาบาลหรือออกมาตายข้างนอกดีตามความเห็นของท่านอาจารย์ ภายนั้นพวกเราอยากจะอยากจะรู้ว <Brief ly> ่าหลวงพ่อตอบว่าอยังไงอ่านได้ไหนะแล้วแล้วปัญหาที่สองเขาถามว่าอปัญหาที่สองถามว่าขั้นหนาที่ใจจะขาดใจจะหลุดออกจากร่างในช่วงนั้นจะเอากรรมฐานอะไรมามาบริกรรม จะบริกรรมกรรมฐานอะไรจะนึกคิดยึดอะไร อ, อยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยึดคุณพระคุณของพ่อของแม่และยึดคุณของครูบาอาจารย์หรือจะปล่อยวางอย่างไงจะปล่อยวางอย่างไงปล่อยไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในอนิจจังทุกขังใอนัตตาไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างไรทําใจอย่างไงในช่วงนั้นสรุปแล้วจะทําใจอย่างไงจึงจะถูกต้องที่สดุดตามความเห็นของท่านอาจารย์ หลวงพ to então, ่อก็ตอบอย็นทีนี้อีกเหมือนกันนะพวกเราอ่านด้วยซิว่าหลวงพ่อตอบพระฝรังว่าจะไงนะศึกษาดูนะเวัะนั้นหลวงพ่อเนี่ยทำมัเทชนาสุดคอต่อเตรียมตัวตายเหมอนกันอ้าวหลวงพ่อจะให้พรทันทีนะรับพรนะคณะสัตยาจมลูกหลานทุกท่านทุกคนนะ